บทสวดธรรมวัดเช้าเย็นจัดทำโดยวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครสวรดนาโดยพระเดชพระคุณพระเทพพญานวิสิทธ์เจ้าอาวาสวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษพร้อมคณะสงฆ์บทสวดธรรมวัดเช้าเย็นแปลนี้วัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในมหามงคลสมัย สมเด็จพระเทพปรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีทรงเจริญพระชนมพรนษาครบสี่รอบ48ภพรรษาทางนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวพุทธได้มีโอกาสศึกษาและฝึกหัดในการสวดมนต์ประจำวัน โวภะคะวาพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพระ ตัวพะกัตตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามัสสามีข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนะพะกัโตะสาวกสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างทังนมามาภิข้า พ, พเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ยะ ม, มมะโคตังพระกวันตังสระนังกตาอุดิสสะปปะจิตาโยโนโพระขวสัสธายะสัจมายังพระกวะโตธรรมังโรเจมะ เอเตหิสกาเรหิตังพวันตังสสธรมังสสะวกสัคังอภิปูชยามะอันดานิมยันตังพกวันตัวาจายอภิทุตุงปุปพภะกนมกาลักโรมเสนะโม阿难三菩萨ต หอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภรราหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมบุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมอัสสะภะคะวะโต อ้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระราหตโตซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสสัมมาสัมบุตรสาัจตราสับรูช้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอ้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อารหาตโตซึ่งเป็นผู้ไปจากกิเลสส ม, มาสัมบุธษาตราสรูชอบได้โดยพระองค์เองขันดมยังบุตธธาภิทุติงกโรมาเสงยอยโสอิตาธากาโต ราตถ า, าคตเจ้านั้นพระองค์ใยอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมพันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโต เ็นผู้ไปแล้วด้วยดีโล ก, กวิโดเ็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอานุตตร์รัุริสัดมมสาระทีเ็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาณิวมนุสสะนัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูธโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระทวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตวยโยอิมังโลกังสะเดวกังสัมมารกังสพบรมะกัง สัตสัมมนาพระมนปรบจั ง, งสเดวมนุสังสยังอภิญญาสติกัตตวะเวเดศิรพระภูมิพระพาทพระองค์ายได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารรรม และหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพรรหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรรมยธรรมังเดสเสิพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วอานิกันละยา น, านังอัยราะในเบื้องต้นมาเชกันทะยา น, านัง หายรอะในรรมกลางปาริโยสนานักัญยานังหายรอะในที่สุดสาธังสัพยัญญานังเกวระปริปุณังปาริสุดทางพ ร, รมจริยังปาะกาศเสสิทรงประกาศพรมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้ น, นเชิง พร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะขั้งพระกวันตังอภิปูเชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธรรมะขั้งพระกวันณตังศิริสานมามิข้าพระเจ้าขอโนบหนอมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราว อันมยังธรรมาภิธุติงกโรมะเสยโยโสอัสวักดาโตภะวะตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันนิธิโก เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองทากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอบานายิโก เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโมวินโยหีเป็นธรรมที่ผู้รูกร้ก็รู้ได้เฉพตนธรรมะฮั่งธรรมังอภิพูช ญ, ญามิข้าพระเจ้ า, าบูชาอย่างยงิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมะฮังธรรมังสิระสานามามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยศีลเ้่าอั น, นดรมมยังสังคาพิธูติงกรโรมาเสโยยโสสุปฏิปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปธิบัติดีแล้ววัน ย, ยุปฏิพันโนะพระกัวโตสาวกาสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิพันโนะพระกัวโตสาวกาสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาว่กัังโคลสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได้ปฏิบัติสมควรแล้วยาทิดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จตตาริภูริสายุคานิอัตถภุริสัพุกลาผูแห่งบุรุษสู่นณะเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภกะวะตัตตสาวกาสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นสมควรแก่ส ก, การะที่เขานำมาบูชา ปาอุนไยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจาัดไว้ต้อนรับทักทินยโยเป็นสงควรรับทักสินาทานอัญชริกรนิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าธัร ม, มาสั่งคังอภิปูช ย, ยามิข้าพรเจ้าบูชาอย่างยิ่งชาพระพระสงฆ์หมู่นั้นธรร ม, มาสั่งคังศิรษะานาัมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยศีลเล่าทันตมยังรัตนตัยปนามกาธาโย ο. เจวะสังเวขวัตถุปริดีภะกะปาทันชาพนามเส่งวุฒวันสุสุดโทกรุณามหันวโฒพระพุทธเจ้าทรงเปนผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจนุ่งมหันนต โยันตสสทัพมรยานโรจโนพ ร, ระองค์ไดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพาพะูปกิเเลสขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลตของโลกวันดามิมุตธังอะมาดเเรนาทัง ข้าญเจ้าไหยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปปิโพวิยตัสสัตถุโนระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงอาทิตย์โยมก บ, บากามาตะเพนปิณโกจำแนกประเพณีมาผลนิพานส่วนใด โลกุรกตรโยจตัทธติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใจที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันนามิธรรมังอาหมานดเรณตังถ้าพระเจ้าไหวาพระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟอื้อสังโฆสุขตาพยาติเขตัสนิโต พระสง์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายยอนิทะสัตวตัวสุขตานุโมทะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานราสารุตามราสุคตมูไรโลละบาหิโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามีสังขงาระมาดเรณตงังข้าพระเจ้าว้ายพระสงฆ์ห ม, มู่นั้นโดยใจเขารบเพื่อเฟืออิเทวเมกันตาภิปูชนัยกังวัตุแตยังวันไดยถาภิสังกตงัง ควอยังมายาอย่างมามาสับบุปัตเดวามาห้นตุเวตัส บ, บภาวาสิทธิยาบุญในที่ข้าพาเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชา ย, ยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพาเจ้าเลย ด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนันอิทาตทาธ า, า, าตัวโลเกอุปันโนพระตาถ า, าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุโทโธเอ็บนผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจเดสิตโตนิยานิโก และพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปาสามิโกรปริณิบานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปริณิพานสัมมูลกามิสุขตับะเวนิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตรประกาศ มายันตังธรรมวังสุตตะวัเอวังญานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปุจุคาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปุจุคาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปุกขคังแม่ความตายก็เป็นทุกข์ โศกปริเดวลุคโดมานสุปาย า, า, า, าซาปิลุคาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแข้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิสัมปโยโกดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ พิเยยิวิปโยโกูดุโคความรัดรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำมบชังนำลาภติรำมบลุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สร้างกิเตนปันจุ ป, ปาทานับขันทาดุขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทัน้งห้าเป็นตัวทุกข์ เสยยาที่ดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปานาขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาปานาขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสั้นอยู่ปานาคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สร้างขารูปารานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปารดาณขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสร้างปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองคารามานโนสุภะวาน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่เอวังบาหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภากาจพันนัสสากวกาวตโตสาวะเกวสวุอนุสาสนีบาหุลาปะวตติ อันดงทำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นส่วนมากย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารู ป, ปังอนิจจังรูปไม่เทียงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เทียงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เทียงสัางขาราอานิจจา สังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรู ป, ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสร้างขารอนัตตาสังขาราาาขาไม่ใช่ตัวตน วิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังาราอณิจจาสังขาราาขาทั้งหลายทั้งปวกไม่เที่ยงสัพเพธรรมานาตตาติธรรมทั้งหลายทั้งพวกไม่ใช่ตัวตนดังนี้เทมายังโอทินนามาหาพวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกินยารามรารเนนาโดยความแก่และความตายโซเกหิบริ เ, วเทววหิโดเคหิโดมนุษย์อยูปายาเซหิโดยความโสความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความขับแคนใจทั้งหลายลูกข้ินาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเราแล้วลูกคาเปรเรทาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนามิมาสะเกวราสะดุขขคันอาสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทมจะไหน การทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จีละปริณิบูตัมปิตังภะกวันตังสรนังกตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริพา น, านานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะนาะทำมันจะพิกุสังคัญจ ถึงพระธรรมด้วยถึงพระพิสุสงด้วยตัสสะพระวะตตุสสนังยาธาสติยาธาพะังมนานัสสิโรมาอนลุปฏติปัจจามาจากคำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติคำลังสาสาโนปฏิปติ ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายดิมาสาเกวระราสุขค ข, ขันฑะสะอันตะกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดจีระปริเิบุธรรมปิตังพระกวันณตังอุดิสาอรหันตังสัมมาสัมบทธังเราทั้งหลาย ผู้ที่เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปริิพานานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาการัสสม m อนาการิยังปปัจิิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ตัาสมิงรักวาติพระมาจรรย์จารามาพระพุทธโยึ่งพรมจรนในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพียรนค่นสิกขกาซายีวสมาปนาถึงรอมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสูทั้งหลายตัางโนวพระมาจรรย์ ยมสัเกวราสากาาสาดุขคันทัสสะอันตากิริยายะสังวัตตะุขอให้พรหมจัรยร์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิท่านดมายังอภินหะปัจจเวคณะปาทั้งพนามะเซ ยาราธ ร, รมโมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดายาระณติโตุ่วมความแก่ไปไม่ได้บะยาธิธรมโมมิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบะยาธิงณติโตุ่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เมื่อราณะธรรมโมมิเรามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อราณะอนัตติโตรวมความตายไปไม่ได้สัพเมียิเมพิเยหิมานาเปยินานาภาโววินาภาโวเราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระราจารของราของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสะโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมมาดยาโดเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรเนิดกรรมมาบานตัวเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมมาปฏิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมกริสามิจากทำกรรมได้นนไว้การละยาหนังวา ป, าปะปังวาดีหรือชั่วตาสะดาญาโดวิสสามิจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเหธิอภินั่งปัจเวกิต บ, บงังราทั้งหลาย ตื่นพิจารณาเนืองเมืองอย่างนี้เลย